ยิบมั่นว่าเรานั้นคือรู้สึกว่าเราเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นลูกผู้ชายแพ้ใครไม่ได้อะไรทำนองนี้นี่เรียกว่าเราที่นี้ของเราคือว่านั่นของเรานั่นของที่เรารักที่เราชอบแม้ที่เราเกลียดก็ถือว่าเป็นศัตรูของเรานี่เรียกว่าเป็นของเรา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 Ego กถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องแปลว่าโซ so, คืออัตตาแล้วมันก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่าเคนทริกอนซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า c ซนเตอร์ Center. คำ k คนทริกอนนี้ตรงกับคำว่า c ซนเตอร์ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าศูนย์กลางเมื่ออีโก้และ k คนท r i กอนคือสิ่งสิ่งเดียวกันแล้วโซ่ so, อัตตานี้